พระธรรมเทศนาแผ่นที่60ลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่7มิถุนายน2554มีชื่อเรื่องว่าทานศีลภาวนาทางแห่งความหลุดพ้นวันนี้เป็นวันที่7 วันที่เจ็ดมิถุนาแล้วก็เตือนกรกดาข้อพรรษาแต่หลวงพ่อไม่ได้ดูข้อพรรษาวันที่เท่าไหร่คงจะบวชอีกรอบสองก็มีผู้แสดงความจำนงอยู่จะบวชอีกรอบสองก็คงไม่มากแต่รอบวันที่ห้าที่ผ่านมาบวชห้ารูปบวชพระห้ารูปเป็นพระนวักะแล้วก็บวชในโครงการ ของหลวงตาก็ยังมีอยู่หลายองค์อยู่ที่นี่พระทั้งหมด252รูปแต่ก็คงจะหมดไปเยอะเหมือนกันก็ธรรมดาผู้ที่จิตใจยังไม่มั่นคงยังไม่ตัดสินใจยังไม่เด็ดขาดเหมือนกับเอาพ้ลโลกมันบินจากผิวโลกต่ำเกินไปมัน มันไม่สู่แดนอวกาศมันบินเรียบเรียบโลกโลกก็ดึงดูดเอาพนโลมันก็เลยตกลงมาสมัยนั้นน่ะใครอยู่ที่ไหนก็กลัวเอาพนโลกตกใส่ทิษะบางคนจะเป็นบ้าตายก็มีแต่ตามจริงมันไม่รู้จะตกที่ไหนโลกกว้างตอกว้างผานที่สู่ก็ไปตกน้ำมาหาสมุทรทะเลมั้งขาวนั้นน่ะหลวงพ่อ อืก็อยู่ได้ฟังเหตุการณ์ข่าวนั้นนะอันนี้ก็เหมือนกันอาภ ะ, พ, ะพวกเราก็ามาบวชในพระพุทธศาสนาถ้ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเดินออกจากเวียงวังในประทศไทยของพระองค์พระองค์บอกว่าพระองค์คิดดีแล้วก่อนที่จะออกมาก้าวออกมาข่าวนี้จะไม่กลับ ถอยหลังโดยเด็ดขาดนะอันนี้คือพระพุทธเจ้านะที่ท่านได้คิดตรงไหนท่านต้องกดเด็ดขาดในตรงนั้นในพุทธประวัติถ้าท่า น, ท, านท่านจะไม่ถอยหลังกลับอีกเพราะท่านได้คิดดีแล้วก่อนที่จะออกจากเวียงบังเพราะนั้นท่านจึงเดินหน้าถ้าเป็นภาษาทางอีสานก็าตายดาบหน้า เดินหน้าไม่ถอยหลังพอคิดดีแล้วคิดจะค้นคว้าค้นคว้าศึกษาหาทางพ้นทุกจะทำยังไงจึงไม่ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกมีต้องมีช่องทางรานทานจึงหนีออกจากเวียงวังไปค้นคว้าศึกษาถึงหกปีผลที่ชุดก็ได้ประสบความสำเร็จ ได้ตัดสู่พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนนอย่างพวกเราที่ท่านทั้งหลายได้ศึกษาจากนั้นก็ท่านก็ได้ประกาศพระธรรมคําคสอนออกมาเผยพแพร่ออกมาให้แก่พวกเราได้ฟังจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้นําพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้ามาขยายผลให้แก่พวกเราได้ศึกษา จากนั้นพวกเราก็ได้นํามาประพฤติปฏิบัติพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกคําทุกคําทุกคําพูดที่ตรัสออกมาพวกเรานํามาวิเคราะห์แล้วเป็นธรรมที่ถูกต้องมีเหตุผลอยู่ในนั้นเสร็จมีเหตุมีผลในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จท่านตรัสอริยสัจสี่ ทุกเป็นยังไงเหตุให้เกิดทุกเป็นยังไงสมุทัยเป็นงไงเหตุให้เกิดทุกมักที่จะที่จะเดินทางให้ตัดทุกนั้นเป็นยังไงในโลกความรับทุกเป็นอย่างไรท่านพูดอีกอันนีจังของไม่เที่ยงจริงไหนที่ไม่เที่ยงสิ่งไหนที่ไม่เที่ยงสิ่งสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้ก็ไตรลักษ แต่ทำยังไงให้พิจารณาอะไรท่านก็ให้ดูอีกสติปฐานสี่สติปฐานสี่ให้ดูกายมันเทยงแท้แน่นอนมากน้อยแค่ไหนเวทนาคือความสวยของใจหรือความสวยของกายการรับรู้ของกายการรับรู้ของใจ ทุกข์ของกายทุกข์ของใจเวทนากายเวทนาจิตจิตคือความนึกคิดใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรทำไมมันคิดปุง่งฟุ้งอยู่ตลอดเวลาและก็ะทำทำมารมสิ่งที่มากระทบใจเมื่อสิ่งที่ดีที่มากระทบก็เป็นสุขสิ่งที่ทางที่ไม่พอใจก็เป็นทุกข์มันมากระทบจิต อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญาสังเกตนี่แหละคือทำพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาถ้าเรานํามาพิจารณาขั้นไข้กลวนไตรตรองเหตุและผลแล้วมีเหตุมีผลในการตรัสและการเทศและการแนะนําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า บริบูรณ์มาพิจารณาถึงตอนนี้รบริบูรณ์ถึงเราจะมีปัญญาไม่มากแต่เราก็มองเห็นได้ว่าจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสได้จริงจากนั้นท่านก็พูดเรื่องการเป็นอยู่การครอง ช, ชีพของมนุษย์ของอุบาสกอุบาสิกาจะทํำยังไงจึงจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันจะทำยังไงจึงจะร่มเย็ยนผาสุกในการอยู่ด้วยกัน มากมายหลายหลยคนอันนี้เขาพยายามพระองค์เ็าบอกให้ดูให้ดูตัวเองให้ดูใจตัวเองเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราใส่ใจเขาการเสียสละอัตทานต้องมีการนะให้ทานมีการเสียสละนะแต่พวกเราคนธรรมดาเราก็พอได้ยินคํานี้ขึ้นมาก็ไม่พอใจแต่พอนึกดูให้ดีแล้วอืมใช่ เเหมือนกับหนามมันตำเท้าของเราถ้ามันถูกในเข้าในเนื้อของเรารอย่างนั้นนะอ่แต่ถ้าเราบ่งมันก็ต้องเจ็บแต่ถ้าเมื่อบ่งออกแล้วเนะี่ยมันก็ได้รับความสุขนี่ก็เหมือนกันถ้าเราคิดดูเฉยมันมันมันก็เจ็บแต่พอเราปฏิบัติจริงๆเอาออกเท้ามันก็มีความสุขนี่ก็เหมือนกันในการทาทานนะ เราได้ยินเราก็จะทุกขเหมือนกันพราของเราเรารักสง่งหวนหวงแหนเงินทุกบาททุกสตังค์หามาด้วยความยากลําบากแต่พอเราเสียสละไปแล้วต่อคู่คนไปแล้วต่อเพื่อนสหะธรรมมิกถ้าเป็นพระสงฆ์ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ด้วยปจัจจัยสี่แล้วช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์โลกโลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขเออมาก น้อยตามอัตภาพในการเป็นอยู่การสงเคราะห์นั้นเมื่อพ่อแม่เห็นลูกก็สงเคราะห์ลูกลูกก็สงเคราะห์พ่อแม่วงสานาญาตอยู่ด้วยกันก็สงเคราะห์ซึ่งกันและกันชนชุมชนในกลุ่มนั้นก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ถ้าว่ามีต่างคนมีแต่เอารัดเอาเปรียบกันมีแต่กอบมีแต่โกยใครเพียงพ้าใครโง่งขึ้นมามีแต่ผู้ที่ฉลาดเอารัดเอาเปรียบ พวกที่ด้อยกว่ากำลังไม่พอสติปัญญาไม่พอความรู้ไม่พอกำลังทรัพย์ไม่พออำนาจวาสนาไม่พออสู้เขาไม่ได้ถึงรู้ทางรู้ก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยพวกนั้นก่อนนะี่ยโกรธแคน้นโกรธแคน้นโมรมอารมณ์โมโหโกรธทาผูกพยาบาทอาคาตจองเวียนอยู่ในจิตในใจ อีกสักวันหนึ่งนะฮพวกที่มีอํานาจวาสนาเผลอขึ้นมาเมื่อไหร่กับพวกนี้แล้วนั่นพวกที่เขาด้อยกว่า เ, เขาก็ต้องผูกพยาบาทอาฆาตไม่ไม่เอาเหลี่ยมหนึ่งก็เอาเหลี่ยมหนึ่งไม่เอาชนะทางใดก็ทางหนึ่งเพรามนุษย์น่ยผลที่สุดชุมชนกลุ่มนั้นจะหาความสุขได้อย่างไรเพราะไม่มีการเสียสละแต่ถา้ามีการเสียสละต่อกัน คนที่ได้รับไปแล้วอือใช่เขาได้มาเขาคงไม่ได้ไปจะเอาทีเดียวเขาก็กแบ่งให้เราแต่การศึกษาไปในการเรียนรู้ว่าการธรรมาหาเลี้ยงฉีพช่วยโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงเรียนเป็นส่วนกลา ง, ขงเขาได้มาแล้วเขก็ทําประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติให้แก่ชุมชนของพวกเราการที่จะโกรธโมโหโกรธาให้แก่เขาความผ่อนคลายทางด้านจิตใจ มันก็ยงลงมาในในระดับหนึ่งเพราะเราไม่เกิดมาเราไม่ได้เกิดมารวยมันให้เหมือนเขาไม่ได้ผลที่สุดก็อยู่ด้วยกันได้เพราะเหตุใดเพราะว่าผู้มีอันติกินก็เฉลือเฉลือเผื่อแพ่ผู้ที่ยากจนผู้ยากจนก็มองไปเห็นผู้เขาที่มีกว่ามีการเสียสละต่อชุมชนนี่แหละอันนี้ก็คือคานะที่พระพุทธเจ้าให้ แนะนำสั่งสอนพวกอุบาสกอุบาสิกาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนเรื่องศีลก็คือคืออยู่กอยู่ในกฎระเบียบถ้าคนไม่อยู่ไม่อยู่ในกฎระเบียบเออกนอกตู้นอกทางตัวเองมีอำนาจก่อนใช้อำนาจตัวเองมีกำลังก็ใช้กำลังถ้าตัวเองมีทุนทรัพย์ก็เอาทุนทรัพย์กันแกล้งเบียดเบียนคนอื่นเขา สรุปแล้วก็คือเราที่มีอำนาจที่เหนือกว่าเขาทุกด้านก็จะต้องเอารัดเอาเปรียบผนที่ด้อยกว่านะนี่อันนี้ก็คือหลักพวินยัยหรือหลักศีลหรือหลักกฎหมายถ้าพวกเราเห็นเขาเราเราเขาเขาเราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันเมื่อเราจนเป็นยังไงเมื่อเรามีขึ้นมาเป็นยังไงอันนี้ก็เราอยู่ในกฎคนที่อยู่ในกฎในเกณฑ์ ดูเขาดูเรามาอยู่ในกฎระเบียบต่างคนก็ต่างอยู่ในกรอบของใครของเราโลกทั้งโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขนแต่คือศีลส่วนสมาธินะี่คือคือทำจิตใจดูจิตดูใจของตนเองแต่ละวีแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละนาทีแต่ละขณะจิตเราคิดเรื่องอะไรเราต้องมีธรรมเข้าไป ดูจุดนั้นอีกต่างหากเลยทำทำใจให้เป็นธรรมให้จิตใจให้เป็นสมาธิจิตใจให้สงบเนี่แหละอันนี้เลยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยหลักของพุทธศาสนาเน้นจุดนี้เน้นจุดที่ว่าในสมาธินี่ดูใจของตนเองใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเลยถ้าหัวใจของเราไม่ได้รับการอบรมใจของเราออกนอกลูก่นอกทางใจของเราเฉยเฉย เอากิเลสราคะโทสะโมหะเข้ามาอยู่ในจิตใจจากนั้นก็ปล่อยจิตปล่อยใจไปทำร้ายทำไรตัวเองมีอำนาจมากกว่าโลกทั้งโลกก็เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะนั้นใจจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับได้รับการอบรมได้รับการศึกษาจะารองได้รับการเรียนรู้เรื่องศีลและธรรม ต้องอ่านออกว่าเขาเราเราเขาเขาเราเนี่แหละหลักของพุทธศาสนาสรุปแล้วก็คือท่านเน้นหนักเรื่องของใจที่ไปพบพระพุทธเจ้าที่ท่านไปบําเพ็ญอยู่ในป่าทังหปีที่แรกท่านก็ลองผิดลองผูกท่านทรมานกายทารมานกายจากนั้นท่านก็ไปเรียนกับปลื้มศีสองท่านเป็นจนได้ยาณนะทัศนะเกิดฌานสมาบัตแปลว่า เยี่ยมในยุคสมัยนั้นแต่พระพุทธองค์บอกว่ายังไม่ใช่ยังมีช่องทางอยู่อันนั้นเพียงสงบพรณะนะั่นเองระงับไปเหมือนกับความคิดของเราพอมันคิดไม่ดีปุ่งไม่ดีความโกรธเกิดขึ้นราค้าเกิดขึ้นอย่างเนี้ยแล้วก็เอาสมาธิเขามาทับไว้ก็เหมือนกับญอดที่มันเกิดขึ้นมาเอาหินทับไว้ เอาแผ่นกระดานทับไว้หญ้ามันเกิดอยู่ในนั้นแต่พอถอนถอดไม้กระดานแล้ว่าเอาไม้กระดานยกออกหลืหินออกหญ้ามันก็งอกเงยขึ้นมาอีกในจุดนั้นนี้ก็เหมือนกันสมาธิเขา้าควบคุมจิตใจใจมันก็สงบเป็นสุขเพราะมันระงับไว้ชั่วคราวแต่มันก็พร้อมที่ปะทุขึ้นมา เมื่อเราออกไม้แผ่นกระดาษแล้วเอาหินออกจากมันทับแล้วเพราะนั้นท่านจึงให้ใช้ปัญญาขุดคน้นลงไปสิ่งไหนที่จะเป็นมันจะเกิดขึ้นมาได้นถอดถอนออกหมดถอดถอนเชื้อออกหมดคือกิเลส ท, ที่จะทำให้มันเกิดขึ้นมาได้คืออะไรอวิชชาปัิยาสร้างข่าราจนถึงออโลบ โกรธหลงราคะโทสะโมหะถอดถอนออกจา ก, กจิตใจและใจก็บริสุทธิ์นี่แหละอันนี้ก็คือต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาเนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ค้นคว้าศึกษาถ้าเราได้ศึกษาตามแนวแถวที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ธรรมนั้นไม่มากแต่มันทํายากมันไม่ใช่ทำที่อื่นมาทําที่ใจะ แต่ไม่มาศึกษาด้ยแล้วไม่ได้ไม่มีที่กว้างขวางให้ดูใจดูที่ใจแล้วนะใจของเราเนะ่ยใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าให้ดูใจแต่ตอนก่อนที่จะดูใจก่อนที่จะจับใจได้นะมันไม่ใช่ของไมง่ายเหมือนกันเหมือนกับเรารู้ว่านักเลงโจรผู้ร้ายมีอยู่สามคนยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ในถิ่นเนี้นยเ น, นี่ยนายกันนายนั่นกับนายนั้นจํำชื่อมันได้ แต่ว่าจะจับมาใส่คุกใส่ตารางเนี่ยมาลงโทษมันน่ยมันไม่ใช่ของจับ ง, ง่ายๆนี้ก็เหมือนกันเราก็รู้กิเลสราคะมันเป็นยังไงกิเลสโทสะมันเป็นยังไงกิเลสโมหะมันเป็นยังไงโลกโกรธหลงมันเป็นยังไงเราก็พอรู้ชื่อของมันจําได้หมดแต่ที่เราจะไปจับราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดเีเข้ามาอยู่ในกรอบ ของปัญญาเนี่ยที่จะลงโทษมันเนี่ยที่จะสาเร็จโทษมั น, นจะให้มันอยู่หมัดไม่ให้มันพยองพองตัวไปทางอื่ น, นอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรอบคอบต้องใช้สติปัญญามากทีเดียวเพราะนั้นใ้พวกเราศึกษาในจุดนี้สิ่งไหนก็ตามพระพุทธเจา้าจะบอกไม่เหลือวิสัยทางว่าพวกเราศึกษา ถ้าพวกเราลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วไม่เหลือวิสัยเป็นไปได้แต่ถา้าพวกเราไม่ได้ใส่ใจเหลือวิสัยทํายากมากยากหมากหรือง่ายมากก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องจะเดินจะต้องเดินไปสู่จุดนั้นถ้าพวกเราหวังลกลนหรือขุดคน้นกิเลสออกจากจิตใจให้ใจบริสุทธ จะไม่มาเวียนไหว้ตายเกิดในวัฏฏะสงสารถ้าเราเห็นโทษในการเวียนไหว้ตายเกิดแล้วเกิดขึ้นมาชาตินี้งแล้แก่แก่แล้วกระเจ็บเจี๋ยพวกก็ตายมีแต่เรื่องทกอยู่ตลอดแต่ทํำยังไงจึงไม่มาเกิดอีกศึกษาเรื่องนี้ให้ดีจากนั้นก็ถอดถอนกิเลสในจิตในใจใจบริสุทธิ์แล้วก็นั้นแหละเป็นพระอระหันจบจ บ, จบของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าคือพระอระหรัน เป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะรับพร อ, อนุโมทนาให้พร